อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ107 1. ภิกษุผู้กล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษหรือบ่นว่าภิกษุผู้มักทำด้วยความชอบด้วยความชังด้วยความหลงด้วยความกลัว 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติอุจชา ป, ปนากะสิกาบทที่ 3. จบ